เชิญพระวจนะของพระเจ้าหัวข้อหวานสิ่งใดได้สิ่งนั้นจากพระธรรมกาลาเทียบทที่หข้อเจความว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นขอพระเจ้าสงวนไว้บ่อ ในเช้าวันนี้นะครับเรามาในมรดกพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเนื่องจากว่ามีพี่น้องของเรานะครับซึ่งกําลังจะรับบัพสมาเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้านะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่ย้ายสมาชิกภาพจากคริสตจักรต่างสังกัดเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ยิ่งไปกว่านั้นความสุขหรือความชื่นอยู่ทวีคูณก็คือเราได้ร่วมรับสกการกับพี่น้องที่มาจากคริสตจักร พัฒนาร่วมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูอดีตครูท่านผู้บริหารและคณะครูอาจารย์รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนด้วยในเดือนแห่งการลําลึกถึงบรรพชนเราเห็นถึงสัตรรมเกี่ยวกับการเสียสละการอุทิศชีวิตอุทิศ ต, ตัวเพื่อ ง, งานของพระเจ้าของบรรพชนของเราโดยเพาะ อ, อย่างยิ่งบรรพชนของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นมิชชันนรี ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้งหลายครับคุณค่าชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ที่ผลงานที่สร้างไว้ให้กับคนรุ่นหลังจากตรงนี้เองทาให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์พูดจริงและเป็นจริงเพราะจากข้อความที่ว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกหลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเป็นความจริงครับหลา ย, ลยครั้งทีเดียว คนที่หวานนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ยาวจนกระทั่งถึงวาระแห่งการเก็บเกี่ยวแต่ถึงแม้กระ น, นั้นก็ดีลูกหลานของเขานะครับก็จะอยู่ในทางของพระเจ้าและจะได้รับพระพรและจะรับผลของการหวานเขาจะได้เกี่ยวอย่างแน่นอนผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าลูกหลานเหลนของเขา หากอยู่ในทางของพระเจ้าและยังคงรักษาความสัตด์เชื่อนี้ไว้รักษาความเชื่อความศรัทธานิไว้เขาจะได้ ร, รับพระรที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและจะนำมาซึ่งการสํานึกและขอบพระคุณพระเจ้าเราเห็นได้ว่ามิชชันนารีที่ได้เสียสละชีวิตสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและส่งไม้ต่อมาจนถึงเราทุกวันนี้นะครับได้สร้างพระราชกิจหรือกิจการที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่ากิจการของพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นไว้นั้นจะไม่มีวันที่อสูญสิ้นไป เมื่อสองสามสัปดาห์นะครับมีคนบอกผมว่าทางราชการเนี่ยเพิ่งประกาศมูลค่าที่ดินในย่างอโศกนี้นะครับมูลค่าที่ดินของเรียนวัฒนาวิทยาลัยของที่จักวัฒนาเนี่ยครับตารางราคาประเมินตารางวารละหนึ่งล้านสองแสนบาทครับผมก็ชอบผู้เล่นกับคณะครูโรงเรียนนะครับบอกว่าเรามีที่จอดรถที่แพงที่สุดในประเทศไทย เพราะเรามีที่จอดรถรวมกันแล้วนะครับประมาณสักสิบไร่เห็นจะได้นะแต่มูลค่าตรงนี้ไม่ได้เป็นมูลค่าเฉพาะแค่เงินครับทรัพย์สินของเราไม่ว่าจะเป็นตึกและที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของคนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโรงเวีนแห่งนี้เนี่ยครับมันประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าเรียกว่า priceless ก็คือว่าประเมินค่าไม่ได้ ชีวิตของคุณครูที่อุทิศและทุ่มเททั้งชีวิตชีวิตของนักเรียนที่ได้อยู่นะครับบางท่านบางคนหกปีบ้างสิบสองปีบ้างสิบห้าปีบ้างเป็นมูลค่าที่ประเมินไม่ได้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งคริอขวัฒนานี้จะต้องรับผิดชอบและรับการถ่ายทอดรับไม้ต่อความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าในเช้าวันนี้เนี่ยครับ เราได้รู้ว่าพระวจนะพระเจ้าได้บอกว่าหวานสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นตรงนี้เป็นคําเตือนว่าอย่าหลงเลยเป็นคําห้ามครับเป็นคําสั่งห้ามว่าหลายหลคนเนี่ยนะครับหวานความหลอกลวงผมใช้คําว่าเฟกเฟกคือสิ่งหลอกลวงซึ่งเราหวานกันไปหวานกันมาอวยกันไปอวยกันมานี่คือสิ่งหลอกลวง ที่เราหวานบางคนหวานอย่างนี้แต่หลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ครับแม้ว่าจะหลอกลวงมนุษย์ได้หลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าถ้าผู้ใดหวานอะไรลงไปก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเพราียงในเช้าวันนี้นะครับด้วยความจํากัดของเวลาเพราะเราจะมีารายการต่างๆอีกหลายๆ ร, รายการผมจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าในโลกนี้เนี่ยเราเห็นการหวานอยู่อย่างน้อยสี่ชนิดด้วยกันทั้งดีและไม่ดี การหวานอย่างแรกนะครับเราจะพบในพระธรรมสดุดีบทที่ห้าสิบแปดข้อหนึ่งถึงข้อสิบเอ็ดนะครับแต่ผมจะยกบางข้อขึ้นมาเพื่อพี่น้องได้เห็นสัจธรรมความจริงของการหวานแบบความหวานการอธรรมครับหวานความอธรรมนะข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามครับท่านผู้เป็นเจ้านายท่านพูดอย่างชอบธรรมหรืออันนี้พูดกับคนที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารครั บ, รบท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือพูดกับคนที่มีอํานาจ ในข้อที่สองเปล่าเลยในใจของท่านท่านประดิษฐ์ความผิดมือของท่านช่างความทารุณออกให้แผ่นดินโลกให้บนแผ่นดินโลกข้อที่สามคนอาธรรมหลงเจินไปตั้งแต่จากคันเขาทำผิดมาตั้งแต่เกิดคือพูดมุสาที่นี่เราจะเห็นคำกริยาก็คือพูดพิภากษาประดิษฐ์ช่างและหลง สี่ห้าคำที่พบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านี้นะครับเป็นค่อยคําที่มีสิทธทยอำนาจที่จะพิพากษาคนที่อยู่ในความอาธรรมถ้าเราหว่านความอาธรรมนะครับด้วยการพูดด้วยการพิพากษาตัดสินด้วยการประดิษฐ์ประดอยคําว่าประดิษฐ์เนี่ยครับหมายถึงว่าทําแบบแนบเนียนค่อยๆบรรจงมีการวางแผนนะครับและ ช่างความทารุณออกไปหมายความว่าส่งความทารุณออกไปนะครับจ่ายแจกจำแนกแจกจ่ายนะครับดิสติบิวต์ความทารุณออกไปในแผ่นดินโลกและหลงหลงไปตั้งแต่เกิดคําว่าหลงนะครับเป็นคําที่มีความหมายค่อนข้างลึกเพราะเนื่องจากว่าคําว่าหลงนี่คือว่าไม่รู้จากตัวเองเพิ่มพีข้อที่สี่ข้อที่ห้านะครับได้พูดย้ําอีกครั้งหนึ่งได้บอกว่าเขามีพิษเหมือนพิษงูชีวิตของเขาเนี่ยครับท็อกซิกมาก ท็อกซแปลว่าอะไรครับก็คือสมมติว่าเราเนี่ยนะครับไปเจอคนที่เราอยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดนะครับสร้างความกดดันสร้างความเครียดสร้างอะไรหลายๆอย่างที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของเรานะครับคนเราเนี่ยมีเป็นท็อกซิกมีชีวิตหรือเป็นพิษเหมือนพิษงูและเหมือนงูเห่าหูหนวกที่อุดหูของมัน งูห่าหูดวปกติแล้วเนี่ยงูไม่มีหูนะครับงูเนี่ยมันรู้ว่ามีภัยอันตร า, ายหรือมันจะรู้ว่ามีการเคลื่อนที่อะไรต่างก็คือว่าอยู่ที่ความสันสะเทือนแต่นี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่ว่างูที่อุดหูก็คือว่าเป็นคนชั่วร้ายหรือเป็นคนอธรรมที่ไม่ยอมฟังคําตักเตือนคําตักเตือนนี้มาถึงชีวิตของเราเนี่ยมีหลายๆายระดับนะครับนับตั้งแต่จิตสํานึกของเราเนี่ยตักเตือนเรานะครับ คนที่มีพระเจ้าก็จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเา น, นัาของพระเจ้าคอยตักเตือนเราจะมีเสียงหรือมีเหตุการณ์บางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกละอันนี้คือเป็นการตักเตือนระดับแรกการตักเตือนระดับที่สองก็คือว่าสังคมคนที่รักพระเจ้าคริสตจกักรมือบรรดาผู้นําคริสตจกักรหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยตักเตือนเราเป็นการตักเตือนระดับที่สอง การตักเตือนระดับที่สามก็คือการตักเตือนระดับพระเจ้าครับระดับพระเจ้าผมเองอยากจะแบ่งปันว่าในชีวิตของผมเนี่ยมีการตักเตือนระดับพระเจ้านะครับเวลาที่พระเจ้าตักเตือนนี่นะครับหนักมากพระเจ้าตักเตือนผมสองรอบด้วยกันนะครับคือดึงผมออกมาจากจากวิชาชีพเดิมเพื่อที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามแผนการของพระองค์แต่เมื่อการตักเตือนระดับแรกเนี่ยมาด้วยการเป็นมะเร็งนะครับและผมก็ยังไม่ยอม ยังหนีไปทําวิชาชีพเดิมอยู่สี่สัห้าปีการตักเตือนมาในระดับที่สองที่ว่าเป็นซ้ำอีกรอบหนึ่งและพระเจ้าก็ให้อยู่ในโรงพยาบาลห้าสิบห้าวันเพื่อที่จะปลูกถ่ายไขยกระดูกซึ่งเป็นกระบวนการที่ที่ที่ที่ย่ําแย่และก็ลาบากมากการตักเตือนจากพระเจ้าเนี่ยเป็นการตักเตือนที่ได้ผลแล้วก็เบ็ดเสร็จทีเดียวจบ พะเจ้าของพระเจ้าในข้อที่แปดถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นคําของกษัตริย์ดาวิด ท, ที่ได้อธิษฐานอธิษฐานเหมือนกับว่าสาบแช่งนะสาบแช่งคนอาธรรมท่านอธิษฐานอย่างนี้ครับบอกว่าขอให้เขาเหมือนท่าที่ละลายเป็นเมือกไปเหมือนทารกแท้งที่ยังไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนามไข่กุ้ง ไม่ว่าสดหรือไม่เป็นเปลวก็ขอพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียเพื่อนนะครับหลายหคนบอกว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยท่านเป็นคนดีเป็นคนชอบทำทำไมทําไมอธิษฐานแบบนี้ทําไมอธิษฐานสาบแช่งแสดงว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับคําอธิษฐานแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาตกต่ำนะครับในชีวิตความท้อใจเห็นถึงความอายุติธรรมเกิดขึ้นในในในบ้านเมือง ของท่านของพระองค์ท่านอธิษฐานเพราะว่าคนอาธรรมครองเมืองคนที่เป็นพิษนะครับคนที่เป็นเหมือนงูพิษคนที่เป็นเจ้านายนะครับไม่ได้พูดอย่างชอบธรรมไม่ได้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมและไม่ได้ส่งเสริมให้ความดีงามความความยุติธรรมนั้นได้งอกเงยขึ้นกลับทําในตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นกษัาสันดาวิทเนี่ยมีความท้อแท้ใจมากและเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ได้โอดควรพระเจ้าถ้าเป็นไปได้นะ ขอพระเจ้าช่วยจัดการคนเหล่านีส้สักทีพี่น้องครับเราอธิษฐานแบบนี้ได้ไหมเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดไม่ดได้ไหมคำตอบคือได้ครับแทนที่เราจะไปพูดกับคนอื่นเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระ อ, องค์เดียวขอพระเจ้าดูแลเขาจัดการเขาและที่จะดีกว่านี้ก็คือว่าอธิษฐานเผื่อเขา อธิษฐานเพื่อคนอะ ร, รมอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่ชอบทำอธิษฐานเผื่อคนที่หลอกลวงคนที่มีชีวิตที่เป็นพิษกับคนอื่นมีการคาดคะเนนะครับว่าในโลกนี้นั้นมีผู้หญิงและเด็กที่ถูกนําเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์โดยเพ่ออย่างยิ่งให้บริการทางเพศนี่นะครับมีการเพิ่มเติมและนําเด็กพวกนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการต่างๆเหล่านี้ทุกปีตามที่คาดการนะครับมีทาตุเรียกว่าธาตในยุคใหม่ ก็คือคนที่ถูกบีบบังคับให้ทำงานเยี่ยงทาตในสถานค้าบริการทางเพศเนี่ยถึง30ล้านคนแต่ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีมีคนที่เข้าเข้าใหม่นะครับถูกหลอกลวงถูกชักนำนะเข้าใหม่เนี่ยถึง8แสนคนในแต่ละปีทั่วโลกสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเป็นความเสื่อมทรามและน่าอับอายคนเหล่านี้หนีไม่พ้นการพิพากษาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนหากเขาไม่กลับใจใหม่ นอกจากนี้นะครับยังมีความเลวร้ายในด้านต่างๆเช่นจับเด็กมาและทาให้พิการและเพื่อที่จะไปขอทานหรือลักขโมยนะครับวัยรุ่นหรือคนที่โตแล้วเพื่อตัดอวัยวะเช่นไตออกมาขายพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะหวานความชอบธรรมแทนที่จะหวานความอธรรมขอพระเจ้าช่วยเราหากว่าชีวิตของเราเนี่ยในหลายๆเวลาไหนหลายเวลาเนีย่ยเป็นพิษกับคนรอบข้าง ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะกําจัดพฤติกรรมของคนที่หวานความอาธรรมเสียและขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะอธิษฐานเหลือคนเหล่านี้ครับประการที่สองครับโลกนี้มีการหวานความอาธรรมและโลกนี้ก็ยังมีการหวานตรงข้ามครับเรียกว่าการหวานความชอบธรรมพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที 24, ่หนึ่งข้อยี่สิบสี่ข้อหนึ่งบทที่หกข้อหนึ่งถึงข้อยีิบสี่นี่ครับพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงคนห้าพันคน ผมไม่ได้ยกมาในเช้าวันนี้เพราะเหตุที่ว่าเราจะอยากจะประหยัดเวลาแต่เรารู้ว่าเหตุการณ์ของที่เหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นเลี้ยงคนห้าพันคนนั้นเกิดจากเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่ยอมอุทิศถวายขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่อยู่ในมือของเขาให้กับพระเยซูและสิ่งที่พระเยซูได้สอนสาวกนะครับเริ่มตั้งแต่ในข้อที่หกนะครับพระเยซูกําลังสอนว่าการหว่านความชอบธรรมเนี่ยนะครับทําได้ โดยใช้ความเชื่อเราจะหวานความชอบธรรมได้อย่างไรเราจะหวานความชอบธรรมได้โดยการเหยียดความเชื่อหรือใช้ความเชื่อออกไปในข้อที่ห้าข้อที่หกนะครับพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นยนังงากก็พากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทํำยังไงเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ตรัสอย่างนี้เพื่อเป็นที่ลองใจฟิลิปครับเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทําประการใด สิ่งที่พระเยซูทํานะครับไม่ต้องใช้ความเชื่อเพราะว่าพระองค์ทรงทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่พระเยซูให้เราทําต้องอาศัยความเชื่อมากทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเหยียดนะครับพี่น้องเห็นภาพของของมือนะครับเหยียดออกไปเวลาที่พระเยซูรักษาคนง่อยนะครับพระเยซูว่าจงเหยียดมือของท่านออกมาการเหยียดมือเนี่ยเป็นการกระทำครับเป็นการเหยียดออกมาเพื่อที่จะสําแด็จงความเชื่อที่มีในใจของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวาน ความชอบทำเนี่ยนะครับเราต้องเหยียดเหยียดความเชื่อของเราออกไปขยายความเชื่อของเราออกไปและความเชื่อนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นกล้ามเนื้อครับเมื่อเรายอมที่จะเหยียดออกไปนะครับกล้ามเนื้อของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเหยียดบ่อยๆเหยียดบ่อยๆเหยียดบ่อยๆกล้ามเนื้อจะเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับภาคนี้นะครับมีสมาชิกของเรานี่นะครับเป็น s t r o k ก็คือเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของ เส้นเลือดในสมองครับทั้งตีบทั้งแตกทั้งตันบางท่านต้องผ่ากะโหลกเพื่อที่จะลดความดันในสมองบางท่านก็ต้องอธิษฐานเพราะว่าไม่มีทางรักษาแต่พระเจ้าก็สำแดงกับอัศจรรย์ครับท่านอนทันย์พอร์สมิธนะครับผมขออนุญาตอัปเดตให้ฟังเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับเรามีโอกาสไปเยี่ยมท่านครับในขณะที่หมอเองเนี่ยไม่รู้จะรักษาอย่างไรหมอเป็นคนพูดครับว่าอัศจรรย์มากที่ว่าท่านกลับมาและพูดได้อย่างท่องแคล่วครับ พี่น้องครับทุกๆวันที่นักกายภาพเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทํากายภาพให้กับท่านอาจารย์พอร์สมิธหรือพวกของเรือนทองนะครับเราเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าในการรักษาเราเห็นว่ากล้ามเนื้อเนี่ยที่ถูกเหยียดออกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นพี่น้องครับความเชื่อของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเหยียดความเชื่อของเราออกนะใช้ความเชื่อของเราทุกวันทุกวันทุกวันเราจะมีความเข้มแข็งในความเชื่อมากขึ้นและกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนนะครับเป็นความเชื่อที่เหยียดออกจากแข็งแรงและเติบโตโดยการออกกําลังกายและทําในสิ่งที่เราเชื่อนี่คือการหว่านความชอบธรรมครับประการที่สองเราเห็นในข้อที่หและข้อที่เจได้บอกว่าพระเยซูตรัดอย่างนั้นหรือทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อลองใจฟิลิปให้ฟิลิปคิดครับ ว่าตกลงเนี่ยคุณจะใช่เหตุผลส่วนตัวหรือคุณจะใช่เหตุผลที่พระเยซูมอบให้กับเรานี่คือการที่ฟิลิปนั้นได้ถูกลองใจว่าจะเลือกเลือกเชื่อตัวเองหรือเลือกเชื่อพระเยซูฟิลิปทูลต่อพระองค์ครับสองร้อยเหรียญเดนาริ อ, อันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กคนละน้อยด้วยเหตุผลเราจะรู้ว่าเราต้องใช้ความเชื่อต่อครับ เพราะหลายครั้งเนี่ยเราดูสถานการณ์แวดล้อมด้วยเหตุด้วยผลด้วยความคิดที่ที่มีจํากัดของเราเรารู้ว่าในการทําพันธกิจต่างๆเนี่ยเรียนในคริสจักรหรือในแผ่นดินของพระเจ้าที่ไหนก็แล้วแต่ครับด้วยเหตุด้วยผลดูมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลและมันจะไปยากแต่เราต้องขยายความเชื่อใช้วิธีการเหยียดความเชื่อออกไปเรารู้ว่าพระเจ้ามีวาระของพระองค์มีเวลาของพระองค์และมีการทรงนําของพระองค์ ผมบอกกับพี่น้องในข้าจักเสมอๆครับฝนจะไม่ตกก็ต่อเมื่อเรายังคว่าชามของเราอยู่ฝนจะตกก็ต่อเมื่อเราหงายชามของเรารับฝนนี้พระพรของพระเจ้าอาจจะยังไม่หลังลงมาแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับบางครั้งก็กระปิดกระปรอยบางครั้งก็มาแล้วก็มันก็หายไป เพราะอะไรครับเพราะว่าความพร้อมในการที่เราจะหงายชามของเราเนี่ยนะครับยังไม่พร้อมเราไม่หงายถ้าพรก็ยังไม่มาพี่น้องครับเราจะต้องหงายชามนี้ด้วยความเชื่อนะครับบางครัง้งด้วยเหตุได้ผลก็ดีนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนชอบธรรมจะเริ่มต้นที่ความเชื่อและจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อประการต่อไปครับการหว่านความชอบธรรมนั้นจะต้องหว่านด้วยจิตใจที่กว้างขวาง สาวกคนหนึ่งของพระเยซูคืออันดูนะครับน้องชายของซีเมนเปโตรทูลพระองค์ว่าในที่นี้มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายเช่นนี้แต่พี่น้องครับเราเห็นนะครับเมื่อพระเยซูนะครับรับขนมปังและปลาจากเด็กคนนี้เมื่อขนมปังและปลาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูคนกว่าห้าพันคนอันนี้นับเฉพาะผู้ชายเนี่ยถูกเลี้ยงจนอิ่มมีการประเมินว่า อย่างน้อยๆนะครับจะต้องมีหนึ่งมืนานคนที่นั่นนงฟังพระเยซูอยู่นั้นพี่น้องที่เคยไปอิสราเอลจะรู้ว่าสมัยก่อนไม่มีลําโพงไม่มีไมโครโฟนนะครับไม่มีเครื่องขยายเสียงพวกเขาจะนั่งอยู่ตามตามเนินเขาครับเนินเขาที่เขานั่งอยู่เหมือนกับเป็นเทียเตอร์นะครับเหมือนกับเป็นเทียเตอร์ในอัศจรรย์เพราะนั้นพระเยซูยืนอยู่ตรงกลางนะครับพระเยซูเทศนามีคนประมาณ1 0,000 000, คนได้ยินชัด เมื่อขนมปังและปลาอยู่ในมืออยู่ในผาดของพระเยซูพี่น้องครับเหลือตั้งสิบสองกระบุงเต็มหลังจากที่เลี้ยงพวกเขาจนเต็มอิ่มแล้วพระเยซูเก็บให้เก็บของเหลือครับหมายความถึงการไม่ทําให้ของทิ้งเปล่าขอบคุณพระเจ้านะครับที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยครับโดยความเอื้อเฟือ้อโดยความรักที่มีต่อขี้จักรพัฒนาโรงเรียนวัฒนาเนี่ยส่งอาหารให้ขี้จักรพัฒนาสามมือเลยนะครับ พวกผมเนี่ยรับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นด้วยคำขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าแท้จริงแล้วเป็นแค่ปิ่นโตนะครับเล็กๆปิ่นโตเดียวแล้วก็ข้าวหม้อหนึ่งนะครับกับปิ่นโตปิ่นโตเดียวมีกับข้าวอยู่และในบางเวลาก็มีของว่างของหวานสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าสตาฟในในขึ้นสัจวัฒนาเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่ได้และลดค่าใช้จ่ายผมขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านไ ม, มีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงแม่ครัวคนที่เตรียมอาหารในโรงเรียนของเรานี่คือสิ่งเล็กน้อยที่บางครั้งมันเป็นของของเกินนะครับผมไม่อยากพูดว่าเป็นของเหลือแต่เป็นของเกินแต่พระเยซูบอกว่ามีเหลือเท่าไหร่ให้เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําอะไรครับเก็บไว้มื้อหน้าเก็บไว้เลี้ยงคนยากจนเก็บไว้เลี้ยงคนที่ต้องการ ตรงนีว่า น, นาวีอะไรได้เลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าในในขึ้นจักวัฒนามาเป็นเวลาหลายปีนะครับขอพระเจ้าเมตตาและบวยพระพรแต่พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าอาหารที่ผลิตในโลกนี้เนี่ยแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ดีไซน์โลกนี้ไว้นะครับ very fruitful หมายความว่าเกิดผลมากสามารถเลี้ยงคนนะครับเจ0ดล้านคนได้แต่แต่ทาไมหนึ่งใน8ดของประชากรคือประมาณ8ด้อยเจ็ดิบล้านคนนี้ยังอดอยากอยู่ ทำไม870ล้านคนยังอดอยากอยู่มีการคํานวณว่าอาหารทั่วโลกนะครับในประเทศที่มีอันจะกินถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ถึงหนึ่งในสามครับหนึ่งในสามถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์แต่ว่าอีก870ล้านคนนี้อดอยากยังยังอยู่ในภาวะทุพโภชนาการพี่น้องครับเราต้องระมัดระวังตามที่พระเยซูได้ตักเตือนเราไว้ในข้อที่2นะครับบอกว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นครับ สิ่งใดที่เราถวายกับพระเยซูพระเยซูจะทรงทวีคูณขึ้นคําถามในเช้า ว, วันนี้ก็คือว่าเราได้ถวายอะไรให้กับพระองค์พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าหวานสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นและพระคัมภีข้อหนึ่งครับใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่6เป็นข้อพระคัมภีที่หนุนใจเราให้เราหวานมากเขาบอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยแต่คนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มาก เวลาที่เราหวานนะครับประเดี๋ยวในหัวข้อต่อๆไปเนี่ยเราจะรู้ว่าหวานเพียงเม็ดเดียวเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวได้ถึง30เม็ดเม็ดข้าวเพียงเม็ดเดียวนะหวานไปเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวได้30ิเม็ดเก็บเกี่ยวได้หกสิเม็ดเก็บเกี่ยวได้ร้อยเม็ดพี่น้องครับหวานสิ่งใดได้สิ่งนั้นหวานมากก็เก็บเกี่ยวได้มากพี่น้องอาเมนไหมครับพี่น้องเราจะต้องว่าถ้าเราสูงถ้าเราอยู่ในสภาพะที่เราหวานได้มากนะครับหวานด้วยชีวิตทุ่งเทอุทิตถวายเสียสละ ให้กับโรงเรียนสถาบันของพระเจ้านั่นแหละคือการหวานของท่านหวานของผมก็คือผมรับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะอยู่ในคริสจักวัฒนาอยู่ในโรงเนวัฒนารับใช้พระเจ้านี่คือการหวานของผมผมหวานเวลาผมหวานความสามารถและเราทุกคนเราหวานด้วยกันครับและเราจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับบางครั้งไม่ได้อยู่เราจะมีอายุไม่ถึงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวนะครับเหมือนกับท่านแหมมโคลท่านแหมมโคลซื้อที่นี้ไว้ประมาณหนึ่งอยไร่ท่านจะรู้ไหมครับว่ามีวันหนึ่งเนี่ย มันตกตารางวัละหนึ่งล้านสองแสนบาทท่านจะรู้ไหมครับว่ามีศิษย์วัฒนาศิษย์วังหลังวัฒนาเยอะแยะมากมายที่ที่เติบโตทางด้านจิตวิญญาณมีคนรับเชื่อพระเจ้ามีนักเรียนที่กำลังรอคอยให้ให้ให้เรานำวิญญาณเขาเนี่ยมาหาพระเยซูแต่ท่านเหยียดออกด้วยความเชื่อครับท่านหวานความชอบธรรมท่านเป็นคนที่เหมือนกับเด็กที่ที่ทมอบ ถวายปลาแล้วก็ขนมปังให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูถามว่าท่านเอาอะไรกลับบ้านกลับอเมริกาหรือเปล่าเปล่าเลยครับทุกอย่างนี้ท่านวางไว้อยู่ที่ท่านทิ้งไว้อยู่ที่นี่ให้กับพวกเราขอให้เราเป็นคนที่ใจกว้างขวางนะครับหวานความชอบธรรมให้มากที่สุดลงทุนในแผ่นดินสวรรค์ด้วยเงินของเราด้วยทรัพย์สินของเราด้วยเวลาของเราด้วยความรักของเราโปรดอย่ามีความคิดว่ามากไปแล้ว พระ อ, องค์ต้องการจากผมมากไปแล้วผมต้องการจากนิฉันมากไปแล้วหรือมีความคิดว่าอืเราให้พระเจ้ามากเกินไปปะทำไมคนอื่นไม่ให้บ้างล่ะพี่น้องครับอย่ามีความคิดนี้ครับให้เราเป็นคนที่หวานด้วยใจกว้างขวางเพราะว่าคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากครับประการที่สามครับหวานด้วยความจริงใจ พระกัมภีตอนนี้นะครับหลายในท่านอาจจะ ย, ยังไม่เคยได้ยินแต่พี่น้องที่มาครุยจักรนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมได้เทศนาพระกัมภีตอนนี้คือวินิจฉัยบทที่เก้าข้อหนึ่งถึงข้อห้าสิบเจ็ดผมจะเล่าเรื่องสั้นๆนะครับเพราะว่าบทนี้มีถึงห้าสิบเดข้อด้วยกันแต่เรื่องสั้นๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งชื่อว่าอาบีเมเลกอาบีเมเลกคนนี้เป็นคนที่หวานความรุนแรงครับเขาเนี่ยนะครับฆ่าพี่น้องคนละแม่ เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยชื่อเยรูบาเล็มมีภรรยาหลายคนแต่เขามีพี่น้องคนละแม่เนี่ยถึงเจ็ดสิบคนแต่แม่ของเขาเนี่ยมีตัวเขาเพียงคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาบิเบเลกเนี่ยก็ก่อกรกบฏหลังจากที่เยรูบาเล็เนี่ยพ่อของเขาเนี่ยตายเขาก็กลับไปนะครับที่บ้านบ้านเดิมของคุณแม่เขาที่เมืองเชเคมนะครับที่เมืองเชเคมเนี่ยเขาก็ไปไปเรียกว่าก่อการกรบฏเขาบอกว่าจะให้บุตรเยรูบาเล็ทั้งเจ็ดสิบคนจะครอบครองหรือจะให้เขาเนี่ยคนเดียวครอบครองดี และข้าพเจ้านี่เป็นชาติเชื้อเนื้อเดียวกันกับทั้งหลายปรากฏว่าก่อการกบฏสําเร็จครับในที่สุดนี้เอเบเมเลกนั้นก็เป็นเจ้าครองอิสราเอลในสมัยของผู้วินิจฉัยแต่พี่น้องครับวานสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นหลังจากนั้น3ปีใ น, นพัมพีผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อที่2ีบอกว่าอาบีเบเลกครอบครองอิสราเอลอยู่ได้3ปีพระเจ้าทรงใช้ปีศาจร้ายเข้าแทรกแซงระหว่างอาบีเบเลกกับชาวเมืองเชเคม กับชาวเมืองที่เป็นบ้านเกิดเมืองนองเขาเนี่ยนะครับสมมติว่าท่านเป็นท่านมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านกลับไปก่อการกบฏที่เชียงใหม่ปรากฏว่าอีกสามปีเนี่ยนะฮะชาวเชียงใหม่เนี่ยไม่ต้อนรับท่านละชาวเชียงใหม่เนี่ยกบฏ ต, ต่อท่านละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอเมเบเลครับสิ่งที่อเมเบเลครับได้รับก็คือว่าปีศาจร้ายเนี่ยเข้าแทรกระหว่างเขากับเมืองเชเขมเขาปกครอง เมืองเชเคมตอไปไม่ได้ชาวเมืองเชเคมนั้นกบฏต่ออเมรเลกและในที่สุดนะครับอบเมเลกนั้นถูกฆ่าตายจากการที่เขาเนี่ยไปบุกเมืองและมีผู้หญิงคนหนึ่งนีนทุ่มก้อนหินลงมาจากกําแพงเมืองอบเมรเลกโดนก้อนหินที่จากมือของผู้หญิงนะครับไม่ได้ตายด้วยมือของทหารเพราะฉะนั้นการตายของอบเมรเลกเนี่ยถือว่าเป็นการตายที่ไม่ ที่ไร้เกียรติไม่สมศักดิ์ศรีเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกทหารแทงตายแต่เขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งเอาหินเนี่ยโยนลงมาแล้วก็โดนศีรษะเขาและเสียชีวิตพี่น้องรู้ไหมครับก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยท่านพูดว่าอย่างไงหลังจากที่กะโหลกศีรษะแตกนะครับท่านรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านก็คือทหารคนสนิทที่ถืออาวุธนะฮะถือเครื่องอาวุธถือเกราะถือดาบเนี่ยนะครับบอกว่า ให้เอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายนี่คือจุดจบของอาบิเมลเลกใครหว่านสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นพ้างผีตอนนี้ทำให้เราเห็นบทเรียนว่าเราจะต้องหว่านความจริงใจครับพี่นะ้องหว่านความจริงใจสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญมากเพราะอะไรครับเพราะสังคมนะครับให้เราอยู่ด้วยกันแบบใส่หน้ากาก สังคมอยู่ด้วยกันแบบหลอกๆสังคมอยู่ด้วยกันแบบทุม่มเใช้คำนี้ครับเฟคคือลวงๆกันนะครับแต่ไม่ได้จริงใจการจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะหวานถ้าเราหวานความจริงใจเก็บเกี่ยวความอะไรครับเก็บเกี่ยวความจริงใจถ้าเราหวานความไม่จริงใจหวานการใส่หน้ากากเข้าหากัน เราก็จะเก็บเกี่ยวการใส่หน้ า, ากากเข้าหากันพี่น้องหันไปทางทางซ้ายทางขวาในที่ทํางานของท่านพี่น้องหันไปทางซ้ายทางขวาในขั้นสัจของท่านของเราเราเห็นคนที่มีความจริงใจกับเรากี่มากน้อยครับแต่ถ้าเราหวานความจริงใจออกไปพึ่งพีบอกว่าเราจะได้รับความจริงใจกลับมาเราจะเก็บเกี่ยวความจริงใจกลับมา ผมเชื่อในพัมพีตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องที่จะเชื่อเหมือนกับที่พัมพีบอกเราถ้าเราหวานความจริงใจเราจะได้รับความจริงใจกลับมาสุดท้ายครับมัทธิวบทที่สิบสามข้อสิบเอ็ดถึงสิบสามให้เราหวานพระวจนะถ้าเราไม่รู้จะหว่านอะไรนะครับขอให้เราหวานพระวจนะพระเยซูได้เปรียบเทียบคนที่ได้ยินพระวจนะนั้นเหมือนกับดินสี่ประเภทพี่น้องคงทราบดีใช่ไหมครับดินประเภทที่หนึ่งคือดินแข็งครับ ดินแข็งคือดินที่ถูกเหยียบย่ํานะครับตามถนนหนทางถูกรถราถูกเกวียนถูกมา้าถูกสัตว์ต่างๆเนี่ยเดินเหยียบย่ําเหยียบย่ํานะเดิมเนี่ยเป็นดินที่ดีนะครับมันย่ำไปย่ํามาย่ําไปย่ํามาเจอมลภาวะเจอมลพิษต่างๆเจอนน่นเจอนี่มันกลายเป็นดินแข็งพระเยซูสอนว่าเมื่อเขาหว่านมเมล็ดพืชก็ตกตามริมทางบ้างนกจะมากินเสียก็คือตกอยู่ในดินประเภทนี้่ครับนั่นหมายความว่าเมื่อผู้ใด ได้ยินคําบอกเล่าอันนี้พูดถึงการอธิบายแล้วนะครับใครก็ตามที่ได้ยินคําบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจและมารลายก็มาฉวยเอาพืชที่หวานในใจของเขาเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชที่หวานตกริมหนทางการหวานเพราะชนะของพระเจ้านะครับเราต้องระวังนะและบางครั้งเนี่ยเราเองเป็นผู้ที่ถูกหว่านเราจะต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ครับเพราะว่าหวานเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับสอนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้นะครับ แล้วบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะคนพวกเนี้ยเป็นดินแข็งครับดินแข็งก็คือว่าหวานไปแล้วเสียของนะครับหวานไปแล้วเสียของเพราะอะไรครับเพราะว่านกนี่มาจิกกินเสียนะครับมันเป็นการทําลายเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นทุนของการหวานพระเยซูบอกว่าน่าเสียดายนะครับคนเหล่าเนี้ยเป็นดินแข็งดินประเภทหนึ่งครับดินประเภทที่สองครับเป็นดินปนหินในข้อที่ห้าข้อที่หกดินปนหินนี่หมายความว่าคือเป็นดินที่ มีหินปนอยู่เยอะมีเนื้อดินน้อยนะครับเพราะเจ้าน้าพระเจ้าบอกว่าบ้างก็ตกในที่มีพื้นหินแต่มีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วแต่เพราะดินไม่ลึกเมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปตอนนี้ผมกําลังเพาะถั่วอยู่นะครับผมเพาะเพาะสนุกสนุกเล่นเล่นเป็นถั่วยักษ์นะครับลูกของมันเนี่ยขนาดนี้ครับไปได้พันมาจากทางปากช่องนะครับ ลูกลูกถั่วแดงนะฮะถั่วแดงในขนาดนี้นะครับกำลังเพาะอยู่เราจะเห็นความจริงตรงนี้ว่าพอเวลามันขึ้นมาสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยต้องรีบเอาลงดินครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่มีดินนะครับมันก็จะแห้งไปผมเรียนรู้ความจริงตรงนี้ด้วยตัวเองก็คือมองมองดูมันแต่ละวันแต่ละวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันนะครับตั้งแต่ที่เก็บไว้นะครับประมาณปีหนึ่งครับเม็ดถั่วเนี่ยเขาให้หมาปีหนึ่งผมนึกวันตายไปแล้ว ผมก็หนงเอาทิ้งแต่คิดถึงข้อพระคมภีนี้ว่ามันมีชีวิตอยู่ภายในที่พระเจ้ามอบให้กับถั่วเม็ดนี้ดีเออของมันนี่พร้อมที่จะเติบโตได้ตลอดเวลาและจากการหว่านตรงนี้ไปนะครับทําให้เราเห็นถึงความจริงในพระเจ้าพระเจ้าย้อนบทที่สิบสองข้อยี่สิบบอกว่าถ้าเมล็ดหนึ่งไม่ได้ตกลงดินและเปื่อยเน่าไปมันก็คงอยู่เป็นเมล็ดเดียวผมเก็บไว้หนึ่งปีกว่ามันก็คงอยู่เป็นห้าหกเมล็ดที่ผมเก็บไว้แต่เมื่อไรก็ตามที่ น้ำนะครับความชุ่มชื้นมาถึงเมล็ดนี้มันจะอะไรครับมันก็จะเปื่อยเน่าหมายความว่ามันก็จะใช้อาหารที่มันสะสมอยู่ในเมล็ดนี้นะด้วย DNA อที่มันมีชีวิตอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นมาพี่น้องครับถ้ามันเติบโตอยู่ในดินที่ปนหินมันจะงอกรากขึ้นได้ตามปกติของมันแต่ไม่ลึกพอไม่ลึกปุ๊บเนี่ยนะครับถึงเวลาเจอหินปุ๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวแห้งไปผมมีประสบการณ์นี้แต่ไม่ใช่หินครับ แต่มันเป็นน้ําเค็มเวลาที่ผมเป็นรับใช้อยู่ที่โรงเรียนสาม ค, คริสเตียนเนี่ยเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไม่ได้นะครับเราปลูกต้นไม้ได้เฉพาะต้นไม้ที่เป็นเรียกว่าทนน้ําเค็มเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเอาดินเนี่ยมามาัดถมเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรครึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอดินมันนะครับลากมันเนี่ยลงมาเกินหนึ่งเมตรครึ่งปุ๊บมันตายเลยครับเพราะอะไรครับมันเจอดินเค็มที่อยู่ข้างล่างคนที่ เป็นดินปนหินก็ลักษณะเดียวกันพอลากมันย่างลงไปถึงชั้นที่เป็นหินนั้นมันไปต่อไม่ได้นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่รับพรชนะได้ยินโพรชนะก็รับทันทีด้วยความเปรมปรมีไม่ฝังลึกในในตัวครับมันจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวเวลาเกิดความลําบากขมเหงก้อนหินนี่มันเปรียบเสมือนกับการขมเหงนะครับความทุกข์ยากลําบากความลําบากต่างๆก็เลิกครับ หลายครั้งทีเดียวเราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีแต่เวลาเจอความอุอปสรรคปัญหาต่างๆแล้วเลิกเรา ท, ท, ทั้งที่รู้ว่านี่คือสิ่งดีที่เราควรทําแต่เราเลิกนี่เปรียบเส ม, มือนกับดินปนหินชีวิตก็ไม่เกิดผลประการที่สามครับดินปนหนามครับในข้อที่เจ็ดบ้านก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียพระเยซูอธิบายว่าพืชที่หว่างกลางหนามนั้น ได้แก่คนที่ฟังพระชนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัฐพชนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลเป็น ค, ครับชีวิตของพวกเราหลายหลาคนเป็นแบบนี้ครับถามว่าทําไมถึงไม่ยอมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเสียทีเพราะว่ากลัวลําบากความกังวลตามธรรมดาโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัฐพรชนะพระเจ้าเสียผมเคยพูดกับคณะครูนะครับตอนที่ผม อยู่ในวิชาชีพเดิมเนี่ยนะครับพอมารับใช้พระเจ้าเนี่ยรายได้ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งผมก็ท้าทายคุณครูว่าคุณครูคุณครูมารับใช้พระเจ้าพระเจ้าประทานพระพรของมองนอกนอกเหนือเป็น intangible profit ก็คือว่าเป็นพระคุณที่ประเมินค่าไม่ได้มองไม่เห็นนั่นคืออะไรครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ คอบครัวที่พระเจ้าจะการันตีและเลี้ยงดูท่านผมยกตัวอย่างเสมอนะครับที่โรงเรียนเดิมที่ผมรับใช้อยู่เรายังไม่เคยมีครูเปิดมาห้าสิบกว่าปีเราไม่ไม่เคยมีครูที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตจากสสิทธิสั้นๆที่ผมได้มีโอกาสรับใช้อยู่และเห็นเรายังไม่เคยมีครูคนไหนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสุดท้ายครับ วานลงไปในดินดีครับพ่อผีบอกว่าบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วก็เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างเวลาที่เราอ่านนะครับเราจะเรียงจากน้อยไปหามากนะแต่พ่อผีนี่เขียนจากมากมาน้อยนั่นคือวัตถุประสงค์หลักที่พระเยซูสอนว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลหนึ่งร้อยเท่าครับนั่นคือเบนชมากนั่นคือตัว KPI เลยที่พระเจ้ากําหนดไว้ นะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังวานความชอบธรรมนะครับดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าเป็นสาวกพระเยซูเราควรจะเกิดผลเบนช์มาคือกี่เท่าครับพี่น้องหนึ่งรอยเท่าแต่ถ้าใครบางคนนะครับที่อาจจะมีความสามารถน้อยกว่าอะไรต่างที่อาจจะยังน้อยกว่ายังอยู่ในภาวะการเติบโตบางท่านก็อาจจะห0สิเท่าบ้าง30สิบเท่าบ้างแต่อย่างไงก็ตามครับเขาต้องเกิดผล และการเกิดผลส0มสิบเท่าหกสิบเท่าร้อยเท่าเนี่ยนะครับหมายถึงคนนะครับหมายถึงคนที่เชื่อฟังครับพร้อมที่จะเชื่อฟังค่ายของเราที่ผ่านมานะครับมีมีเรียกว่าทุบสถิติจำนวนคนที่ไปค่ายปีที่แล้วนะครับมีประมาณร้อยกว่าคนปีที่นี้ปีนี้นะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้นสองร้อยสี่สิบคนทุบสถิติเลยครับมีจำนวนผู้ที่มาร่วมค่ายเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วถึงหนึ่งร้อยคน และคนเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อใหม่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแคร์เป็นผู้ที่มาเรียนละวีเวลาศึกษาอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าชีวิตของเขาตกในดินดีครับดินดีหมายถึงดินที่มีสารอาหารครบถ้วนวานอะไรลงไปก็จะเกิดผลเติบโตหมายถึงคนที่มีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อฟังดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าว่าอย่างไรเขาพร้อมที่จะทําตามแม้อาจจะไม่เข้าใจคนประเภทนี้ถือว่าใจถึงครับ เพราะเขามีความเชื่อละเหยียดความเชื่อเขาออกบ่อยๆและเมื่อเขาเหยียดความเชื่อออกบ่อยๆนี่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้เขาเหยียดความเชื่อได้สูงขึ้นในระดับที่มากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเกิดผลไม่เท่ากันนะครับสามสิบเท่าบ้างหกิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราขึ้นอยู่กับระดับของการเชื่อฟังของเราที่น้องครับผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับด้วยเรื่องเรื่่องงหนึ มีนักธุรกิจคนหนึ่งครับชื่อว่านายวอลเตอร์นิชิโอกะคนคนนี้นะครับไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีแต่มีเงินพอที่จะไปรับประทานอาหารนะครับในพัฒตาคารที่ชื่อว่าพัฒนาคารฮาวายทุกทุกวันพุธในโรงแรมนี้โรงแรมนี้นะครับมีการบริหาร <c oughs> มีการบริหารจัดการที่ดีและมีบริกรคนหนึ่งครับ เขาชื่อว่าโจเซ่โลคาซ่าผมขออนุญาตเพราะว่าไม่สามารถหาภาพเขานั่งอินเทอร์เน็ตได้นะครับโจเซ่เป็นบริกรที่มีหัวใจรักการบริการอายุ22ปีนักธุรกิจที่ชื่อว่านายวอลเตอร์นี้ใช้บริการเขาเนี่ยทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอนะครับ22ปีนะ เขาใช้คําพูดที่ยกย่องพนัก ง, งานเสิร์ฟและเขาให้ค่าทิปด้วยใจกว้างขวางช่วยเหลือนายโจเซ่ตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือครอบครัวเขาเนื่องจากว่ารับบริการให้บริการนะครับจนกระทั่งเหมือนกับเป็นคนรู้จักกันสนิทสนมกันยีสองปีเนี่ยเวลานายโจเซ่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ย น, น, นายวอลเตอร์ก็ช่วยเขาแต่เมื่อตอนที่นายวอลเตอร์เนี่ยอายุเจดสิปีครับเขาล้มป่วยด้วยโรคไตาวาย ต้องเปลี่ยนไตต้องการไตที่เปลี่ยนอย่างเร่งด่วนและความหวังที่ได้ไตใหม่เนี่ยลิบปีมากครับแต่ด้วยความประหลาดใจอัศจรรย์มากนายโจเซ่ตอนนั้นนะครับเขาอายุ52ปีได้เป็นผู้บริจาคไตให้กับนาวอเทอร์จนนวาวอเทอร์หายเป็นปกตินายวอเทอร์พูดไงครับบอกว่าผมแทบจะไม่มีโอกาสรอดถ้าไม่สามารถหาไตที่เข้ากับผมได้ทันเวลา แต่สวรรค์ได้ส่งคนดีมาให้รู้จักกับผมมากกว่า20ปีและผมได้รับความช่วยเหลือได้ชีวิตใหม่จากเขาตอนนี้ผมแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงครับนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเราเห็นนะครับว่ามิตรภาพระหว่างครูกับนักเรียนนะครับเติบโตขึ้นและยังส่งผลหลังจากที่จบจาังรียนแห่งนี้ไปแล้วนะครับสวสวเองนะนักเรียนเก่าของวิทยาลัยพัฒนาเอง ครูเก่องนายวัฒนาเองเนี่ยรู้แล้วแต่กลับมาโรงเรียนนี่คือความสัมพันธ์โจเซ่กับวอลเทอร์นั้นตั้งใจให้บริการดีที่สุดกับลูกค้าของเขาและวอลเทอร์ก็ได้ให้ค่าทิปด้วยจิตใจที่กว้างขวางและน้ำใจจากคนที่เป็นลูกค้าจนกระทั่งในที่สุดนะครับโจเซ่พูดกับวอลเทอร์ซึ่งเป็นลูกค้าของเขานะบอกว่าอย่าห่วงเลยเอาไตของผมไปได้ถ้าคุณต้องการ พี่น้องครับเราจะมีความสัมพันธ์ระดับนี้กับใครบางคนไหมครับว่าไม่เป็นไรนะครับเอาไตาของผมไปเถอะเราจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ไหมครับว่ากับใครคนหนึ่งในโลกนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเอาไตาของผมไปเถอะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับวานสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นอาเมีร์